พระธรรมเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10เมษายน2560รมีชื่อเรื่องว่าส่งน้ำที่หัวใจตัวเองวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2560 กิจกรรมของพวกเราต่อไปนี้ทำอย่างไรนะนในพวกเราเร้รับปูรับทราบไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่สิบแล้วก็วันที่สิบเอ็ดวันพรุ่งนี้พอลุงพ่อหนีออกจากวัดหลายวันลูกลานเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเนี่ยไปได้สามสี่วันเดี๋ยวลงพ่อจะย้อนให้ฟังพูดเรื่องที่จะพี่พวกเราจะทำในสงกรานเนี่ย มีอะไรบ้างก็คือวันพรุงนี้วันนี้เป็นวันปร่งนะเป็นวันปรงปงผมวันพรุงนี้เป็นวันพระแต่ตามไม่จริงวันพระนี่ไม่น่าจะไปฉันที่อื่นแต่พออามาในมวนหลวงพ่อก็ไม่ได้ดูปฏิพินปฏิถีให้ถีถ้วนก็เลยเป็นนัดวันเป็นวันพระไปแต่ตามไม่จริง พระที่อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อมก็น่าจะเป็นหูเป็นตาหลวงพอ่อว่าวันไหนว่างไหมก็น่าจะดูว่าเป็นวันอะไรให้รอบคอบในกะพระกะเชิดเชิดอีกเหมือนกันแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันพระเดือนห้าเพน<อ>แต่ไปฉันโรงพยาบาลพระพระเจรรูปแล้วก็พอฉันเสร็จแล้วก็ต้องมาลงอุโบสถเที่ยง พระให้บอกกันจะให้คอยกันนะวันพรุ่งนี้นะเที่ยงลงโบสดแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาสงน้ําตามประเพณีของเทพสงกรานหลวงพ่อก็นัดว่าเออบ่ายสองนะเพราะว่าโบสดพระคงจะเสร็จบ่ายโมงทําทำโบสดเที่ยงนะก็คงจะเสร็จบ่ายโม ง, โ ง, นะ ง, โมงนัดกันบ่ายสองโมงซศาลานอกให้นัดกันพี่น้อง เขตอำเภอนายูงผู้ใดจะมาหลวงพ่อให้สงน้ําเพียงครั้งเดียวนะจะไปหาสงกระเย็บกร ย, ย่อยไม่ใช่เด็กทําเล่นวะหลวงพอ่อยู่มากแล้วใครจะมาสงเวลาไหนาก็ะสงไม่ใช่นะไม่ได้นะไม่เอาเปิดโอกาสให้เป็นเวลาเดียวทําเวลาเดียวจบวันเดียวจบใครไม่มาก็แสดงว่าไม่มาท่านอากจะเอา เอาสงน้ำเนี่ยเอาเงินมาสร้างถังน้ําให้หลวงพ่อย่อยๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปสงให้มันสงพอสงแต่มือเฉยๆมันไม่เย็นหรอกมันสงมันสงตรงสงน่ะสงหัวใจของตัวเองนั่นนะให้มีเมตตาให้มีคารวะสัมมาคารวะนั่นน่ะสงหัวใจของตนเองไม่ต้องสงมือหลวงพอล็อกให้เข้าถึงศีลถึงธรรมแล้วก็จบแล้ว ถ้าใครถึงจะมาสงมือหลวงพ่อก็เถอะใจยงโมโหโมโหโกรธอะไกับครอบกับครัวกับลูกกับหลานกับใครต่อใครผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ถึงจะมือมาสงมือหลวงพ่อก็เท่านั้นแหละมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าพวกเรามาสงมือหลวงพ่อแล้วก็เออจิตใจหย่ร่มเย็นเป็นสุขออจิตใจมีความสุขออพอได มาส่งหลวงพ่อแล้วบุญบารมีของหลวงพ่อกุ้มครองเด้หลวงพ่อบุญบารมีของหลวงพ่อกับจะคุ้มครองคนดีนะถ้าคนเร็วหลวงพ่อไม่คุ้มครองนะมีนจะจับเข้าคุกเาคนเร็วๆนะแต่กิเลสในหัวใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อกัยังจะเตะมันทิ้งนทําไมจึงจะเอาคนเร็วๆได้ยังไงนี่แหละสรุปแล้วคือเป็นคนดีนะ แล้วก็หลวงพ่อออกไปจากวัดตั้งแต่วันที่ที่หกหลวงพ่อออกแต่เช้ามืดพอไปก็ไปฉันอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเขาสร้างเจ้าว่าศาลาเจ้าว่าโดมให้เข้าเป็นที่กินข้าวของพี่น้องประชาชนแล้เป็นที่กินข้าวของทานอาหารของแพทย์ของหมอของพยาบาล จะมีการประชุมก็มีการประชุมกันได้สัมมนากันได้สรุปแล้วกัลักษณะสลาอาเนกประสงค์ที่โรงพยาบาลหัวใหญ่พอสมควรนะหมดไปสามล้านกว่าบาทแต่ตั้งชื่อว่าอาคารของหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกนะท่านพ่อออกเขามาขอหลวงพ่อคือเอา้าให้หลวงพ่อก็ได้ไปฉันก็มีหลวงพ่อสดนะมีพระด้วยกันเจ็ดรูป แล้วก็มีการทอดผ้าป่าด้วยเพราะฉันเสร็จก็มีการทอดผ้าป่าก็มีผู้ใหญ่ทางอดีตผู้วาราฐการจังหวัดท่านอำนาจประการัฐแล้วก็อดีตสาธารณสุขจังหวัดเก่าแล้วก็มีหลายท่านวันนั้นเห็นหลายคนกะหะบบดีหลังจากนั้นกระทอดผ้าป่าได้เงินทั้งหมด สองแสนสองแสกว่าสองแสกี่หมื่นหลวงพ่อก็จำไม่ได้หลวงพ่อก็ได้มอบให้กับโรงพยาบาลเออใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงพยาบาลเนอะจากนั้นหลวงพ่อก็เขาไปเขาไปดูบ้าฑตาดเขาดูเขาตอกเข็มแล้วก็มีโมเดลเออมีโมเดลออกมาเขาทําโมเดลออกมา ใครแค่ว่าย่อย่อเสือให้เป็นแมวลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ว่าเจดีของหลวงตามีอะไรบ้างที่เราจะสร้างนะโอ้หมดไปทั้ง 4,000 0 0กว่านะลูกหลานนะทำโมเดลหมดไป 4,7 แเจแต่คุณชัยเป็นผู้ถวายคุณชัยเป็นคนคัถวายถวายโมเดลทั้งหมดเป็นจ่ายเงินของคุณคุณชัยนะ<ม>แต่ลูงพ่อก็ไปดูโอ้สวยงามนะ ใครอยากจะไปดูเจดีต่อไปภายภาคหน้านไปดูได้ที่วัดป่าบ้านตาดน่ะโมเดลที่ออกมาใหม่เหมือนก็ยอ่อย่อเสือให้เป็นแมวลักษณะอย่างนั้ น, นที่หลวงพ่อพูดนะ <c oughs> คือเจดีของของนนตาเนี่ร้อยสิบผ้าเท่าหรืออะไรเนี่ยละ่ะร้อยสิบผ้าเท่าที่เ <c oughs> จดีจะได้หลวงพอง่อไปดูก็การตอกเสาเข็มณวันนี้นะ นะวันนี้ได้900 950 59ต้นเลยอะไรนะ่วันนี้นะในพันพ251ต้นยังเหลืออยู่เกือบ300กว่าต้นฟังฟังดูแล้วนะก็รลุกจิตว่างงานก็นไปได้เรื่อๆยๆเจดียของหลวงตานะจากนั้นหลวงพ่อก็มาพักค้างที่วัดรวมธรรมในคืนวันที่หกนะ วันที่เจออกไปแต่เช้ามืดอีกไปฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านรงเมืองโรงเรียนรงเมืองวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอาเภอของเขาคือเขาสร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจําอําเภอแต่ต่อมานี่ขาดการดูแลรู้สึกว่าทรุดโทรมลงไปมากชาวบ้านเขาก็เลยจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่คนได้มโนหลวงพ่ อ, อ, อไป เ, อเป็น หัวหน้าเป็นประธานในการทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อก็ได้ไปบินธบาันทรนเช้าที่โรงพยาบาลนะั่นเผอกลุมพวาปีจากนันกทอดผ้าป่าโอ้ก็ได้เงินมากอย่าง น, นลูกลานในทั้งหมด 2, 07, สองล้านเจแแต่ก็ยังไม่เต็ม 7.700 แ, แสนาก็เพิ่มก็อีกประมาณแสนกว่าบาทมาั้งเพื่อให้มันถึงเจ ตามโครงการที่ทางโรงเรียนเขาต้องการอยจะทำอะไรแปลว่าครบตามจำนวนที่โรงเรียนต้องการสองล้านสอง้านเจนจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปขึ้นเครื่องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินอุดอรลงกรุงเทพวันที่เจนะไปถึงที่นู่นกัน น, นัดไปชมทางกรุงเทพอีกเกี่ยวกับเจดีของโรงตา จะทำยังไงในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะเขาก็หารือหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดตามความเห็นของหลวงพ่อนั่ะให้เน้นเรื่องพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตาเหมือนกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธเจ้าก็มีการเกิดที่ไหนกานระสู่ที่ไหนขั้นดําเนินอย่างไรออกบวชอย่างไรก็มี แต่ว่าจุ ด, จดสําคัญคือพระพุทธเจ้าได้จัตหรู้อะไรนะพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระองค์ได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมานั่นแนสี่พันพระพระธรรมขันนั่นะจุดนั้นสําคัญกว่าแต่จะว่าจะทิ้งประวัติของท่านตัวเจ้าตัวของท่านเสเลยก็ไม่ได้เพราะว่าก่อนที่จะเป็นพระธรรมคําสอนออกมานั้นก็ต้องมีประวัติของท่านนี่ก็เหมือนกัน หลวงพ่อวัดเรื่องประวัติของหลวงตาก็ให้มีประวัติแต่ให้เน้นเรื่องพระธรรมคำสอนของหลวงตาท่านหลวงตาท่านสอนอย่างไรมีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมมีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมขององค์หลวงตาสอนมากมายในเมื่อเราคัดสรรออกทำคาพูดขององค์หลวงตาออกมาแล้วนะเราขึ้นป้ายขึ้นบอร์ดขึ้นหินแกนดิต ขึ้นแผ่นสเตนเลสนะใครจะมาคัดค้านมาพูดกนี่แหละคือทำคำสอนของหลวงตาออกมาจากหน้ากระดาษเล่มนั้นเล่บนี้ MP3 สท่านเทศวันนั้นวันนี้ให้ชัดเจนจากนั้นให้นำไปประพฤติปฏิบัติได้หลวงพว่อก็เน้นอย่างนั้นไปให้แนวความคิดสำหรับผู้ที่จะทำพิพิธภัณฑ์ ทำคำสอนของหลวงตาพอที่คูจุดนี้ก็เป็นจุดที่จ่ายเงินเหมือนกันนะลูกหลานนะไม่ใช่เงินน้อยเหมือนกันหลายเงินพอสมควรทำหรับเราจนๆนะแล้วก็จากนั้นก็หลวงพ่อก็มาพักที่สวนแสงธรรมพุ่งี้เช้าวันที่แดวันอาทิตย์ที่8ดหลวงพ่อกับคณะสงฆ์ก็ไดยไปฉันที่วังเทเวศนะเป็นวันเกิดของหมอมหลวงสราลี กิติยกรเป็นน้องพระพระองค์โสมนะบิดนาบาพระสงฆ์ทั้งหมด10 ร, รูปแล้วกพระที่ติดตามอีกรวมแล้วเป็น 17-18 ร, รูปมากลไปฉันที่ในวังเทเวศ ท, ท่านคนนิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จองค์ใหม่ส ม, สมเด็จพระสังฆราชแต่สมเด็จพระสังฆราชท่านเสด็จ ท่านมายกฉัดเมื่อวันที่หกและเมื่อวันที่เจ็ดที่บ้านน้องผือนาใน อ, อําเภอพารณานิคมจังหวัดสกลนครวัดหลวงปู่มั่นโพธิ์ริตโตนวัดที่ครูบาอาจารย์ที่เขาไปศึกษาธรรมะนะเหมือนถ้าจะว่าไปแล้วกันเป็นสถานที่ตกกนะต ก, กัศลาระตะกัศลาของครูบาอาจารย์ที่เข้าไปศึกษานะ ท่านจ ง, งปู่ิทยังท่านก็เลยทาเป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขึ้นมานอกวัดนะไม่ใช่อยู่ในวัดเพราะในวัดมันเป็นป่านะท่านก็อยู่นอกข อ, ข, อขอบขอบวัดซื้อที่ดินออกมาก็สร้างพระเจดีย์จากนั้นก็ทูนเชิญทูนราชการรอสิบท่านเป็นเสด็จทางการภาคอีสานคงจะเป็นครั้งแรกกรมังพระองค์ท่า น, นขนโอหโหกัน มือฟ้าโมดินแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปนั่นหลวงพ่ออยู่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนะงานที่กลุมภาวปีวันที่เจ็ดหลวงพอ่อจุดธรรมพูดรุ่งไพหลวงพ่อฟังอนะ่ะเจา้าพกุลสมเด็จองค์ใหม่เขาไปรัชการที่สิบองค์ใหม่แล้วก็นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรตรโอไปพร้อมนากันท่านอาจารย์มีคนเยอะมากนะ ดีเพราะว่ า, วานี่นคือ JD เจดีนี่ก็เป็นเจดีบรมมครูเกิดชั um ่ววาบรมมรุมมครูในยุคปัจจุบันยุคหลวงปู่กูบาลยาลุกยุกหลวงปู่นี่แหละยกปัจจุบันหลวงปู่มั่นนี่ยนะปู่ปู่ปเสานะบรมครูจริงคือพระพุทธเจ้าพระหรันตะสาวกอนั้นอยู่ประเทศอินเดียแต่ที่นี่ท่านนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ขึนมามาประยุกเป็นรู ป, ปรธรรมสอนสิทธิอนุสิทธิ์ที่บ้านน้องผืนาในาอาจจะว่าไปแล้วกันนี้นะเป็นเมืองตะกัชิลาสําหรับหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟันหลวงตามาหาบัวหลวงปูบาจันหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื่อครบจากอกจากองค์หลวงปู่มั่นเมื่อวันเมื่อวันที่แปดนะท่านก็ยกฉัดแต่หลวงพ่อ วันที่เจ็ดนะวันวันที่เจ็ดยกชัดวันที่แปดหลวงพ่อไปฉันอยู่ที่วังเทเวศ ท, ท่านก็ไม่ได้เสดเ จ, จ้าคุณสมเด็จแล้วท่า น, ท, านท่านเหนื่อยพวกขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพเป็นทุ่มสองทุ่มแต่จะลงปู่คำบอ่อที่นิมนต์มาท่านก็ไม่ได้มาอีกปะนั้นหลวงพ่อก็เลยได้เป็นหัวหน้า วันนั้นกับพระทั้งหมด10รูปที่วันที่10นะแล้วก็หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมนะแต่ลูกหลานเปิดในเฟซลูกหลานคงจะได้ฟังหลวงพ่อเทศเกี่ยวกับพุทธประวัติยกโบรมครูคือพระพุทธทเจ้าเป็นตัวอย่างให้พวกเราเดินตามเทศในเวียงวังในวันที่8 เมษาห้าหกศูนจากนั้นก็หลวงพ่อมาพักที่วัดรวมธรรมอีกอววัดสวนแสงธรรมอีกพกู้ชิชาออกมาแต่เช้าตั้งแต่หกโมงมะหกกโมงต้นต้นมาขึ้นเครื่องที่สนามบินมาลงที่อุบลนะทั้งที่บ้านพ่ออยู่อุดรไปลงอุบลนะพอต้งกงไปฉันฉันที่ อุบลสศรัท ธ, ธายาโยปไปจัดที่ฉันให้ที่อุบลพอฉันเสร็จแล้วก็นั่งรถมายะโธทออีกมางานศพหลวงปู่สวงที่บ้านสีฐานในตำบลสีฐานกระจายสีฐานเป็นบ้านเก่าของครูบาอาจารย์ลว ป, ปู่ชิ้งทองหลวงปู่วุญนเมย์หลวงปู่เพ่งหลวงปู่เพียนแล้วพระกรรมฐานออกมาจาก กระจายสีฐานเยอะนะเป็นพระเทรนี่ยแหละหลวงปู่สวงนะองค์หนึ่งท่านก็ได้มรณะภาพอายุแปดสิบกว่าปีนะแต่คนรุ่นใหม่เขาบอกว่าหลวงปู่สอนละวงเขาว่ากนะมันก็ใช่ใสอนละวงจริงๆรนะิงแต่จริงหลวงปู่สวงสื่อในชาวบ้านเขาเรียกทั่ ว, วไป แต่ลูกปู่หวงเนี่ยเป็นครูบาของหลวงพ่อหนะลวงพ่อก็ได้ให้ความใส่ใจสนใจสมัยหลวงพ่ออยู่ภูจก้เพราะว่าพพเป็นเนนเป็นเนนกึ่งพุทธการนะเป็นเนน2องพันห้ารนะเนืองกึ่งพุทธการท่านหลวงปู่หวงก็เป็นครูบาอ่าไปกับหามน้ําขึ้นภูจกอด้วยกันโอ้เงือแตกเงือไหลต่านตัวสูงอีกต่างหากเราเป็นผู้เดินหน้าท่านเป็นอยู่ที่หลังนี่ย เพราะท่านตัวสูงเนี่ยมันอยู่ที่หลังไงเราก็เป็นเนนน้อยเป็นเนนอายุสิบสี่สิบห้าปีนเนีย่ยเราก็หามท่านก็อยู่ทั้งหลังหามน้ําขึ้นไปภูจอกอแต่สมัยนั้นหลวงปู่ล่าก็อายุพรรษาก็ยังไม่มากนะเพราะหลวงปู่ล่าเนี่ยไปอยู่ภูจอกอเพียงสิบอ็ดพรรษานะเท่า ก, กันกับอายุหลวงพ่อหลวงพ่อสิบเอ็ดปีบวชท่านก็สิบอ็ดพรรษาบวชปีแปดปด หลวงปู่ลากับหลวงพ่อถ้าอายุพรรษาของหลวงปู่ลาท่านบวชมากี่ปีมาปีนี้หลวงปู่ล่าถ้าท่านยังทรงธาตุขันอยู่กัอายุท่านบวชมาเจ็ดสิบสองปีเท่ากับอายุเท่ากับอายุหลวงพ่อนะนี่แหละหลวงปู่หวงเข้าไปอยู่ด้วยกันท่านเรียกหลวงปู่ล่าท่านก็เรียกคุบล่านะเพราะยังอายุพรรษาเกินกันไม่มากนะ ไม่ใช่ได้เรียกครูบาอาจารย์ท่านพระอ า, าจารย์ครับหรือว่าครูบาอาจารย์ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับยังไม่เรียกถึงขนาดนั้นท่านเรียกว่าครูบาลานะหลวงพ่อก็เรียกอาจารย์ผู๋สวงก็เรียกครูบาครูบาสวงฮะนี่แหละอยู่ด้วยกันเพราะนั้นทุกพ่อจึงให้ความสําคัญเมื่อท่านหลวงรับดับขันไปหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมเมื่อท่านมรณภาวนะพาวันที่ยี่สิบห้า วันที่27หลวงพ่อเสร็จงานคุณแม่ชีแก้วนะหลวงพ่อก็ได้ไปเอาผ้าไตรผ้าไม้จะถูกปัจจัยไปสมทบงานศพของท่านพองานประชุมเพิงเมื่อวานแต่ไม่ใช่งานพระราชทานเพลิงงานประชุมเพลิงเพราะเราไม่ได้ขอท่าไม่ได้เป็นพักครูไม่ได้เป็นอะไร เป็นครูบาอาจารย์ก็ประชุมเพลิงธรรมดาแต่คนโอ้โหล้นหลามจนหาที่จะจอดรถไม่ได้มากจริงๆเมื่อวานพระเป็นพันเป็นพันพั น, พ น, พนองค์แต่หลวงพ่อวางดองไม้จันทร์เสร็จแล้วหลวงพ่อก็รีบออกมากลัวรถจะติดเพราะบ้านเราอยู่ไกลเราก็บอกเออครูบาอาจารย์พระเนนศราญาติโยมนะบ้านหลวงพ่ออยู่ไกลหลวงพ่อวางดองไม้จันทร์แล้วก็จะออกไปละหลวงพ่อเข้าไปอเนจังไอ้เป็นสักอเิจ่า ชักพาดไรเป็นรุ่นที่สองนะพระสีรูปรุ่นที่แรกก็มีหลวงปู่เพง่งทำกองเพลนกับหลวงปู่อุ่นก็เป็นคนกระจายกระจายสีฐานเหมือนกันนะพอรุ่นที่สองเนะะี่ยครับหลวงพ่อเข้าไปเสร็จแล้วก็วางดอกไม้จันร์แล้วก็ออกมาเลยนั่งรถออกมาจากยะโสธรมาถึงวัดสามทุ่มพอดีนะลูกหลานเมื่อคืนนะีนี่แหละอันนี้ก็คือพูดให้ฟังก็คือาศาสนาคิจ ที่หลวงพ่อไปที่ไหนบ้างให้กับลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานก็ได้ถามว่าเออเป็นยังไงในยุคนั้นสมัยนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็พร้อมกันปีนี้เป็นปีอะไรเดือนนี้คือเดือนอะไรให้พวกเราคิดนะปกกุบะอาจารย์พระเนรลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยม แต่หลวงพ่อบอกว่ามันขึ้นในหมอหม อ, หมอลงพ่อนะหมอดูหมอหมอลงพ่อปีนี้คนจะมากนะงานวันเกิดหลวงพ่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนะพวกเราเตรียมไว้จะเตรียมอะไรคิดๆกันไว้เรื่องน้ำเรื่องไฟนั่นนะเรื่องอย่างอื่นเราก็เท่าที่มารับที่เท่าเราจะรับรายเต็มที่นะ จะเป็นเองดูได้วางแผนกันไว้โรงครัวยังไง เ, เต็นยังไงให้ช่วยๆกันคิด เ, เพราะว่างานนี้เป็นงานที่มาพาดมาเกยลงพ่อเองก็ไม่ได้มีบัตรเชิญไม่ได้มีบัตรนิมนต์ไม่มีนิมนต์ไม่มีบัตรเชิญนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อแนวหนึ่งที่พวก พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังนะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ช่วยกันคิดนั่นแหละเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องที่พักพ้าอาศัยคิดว่าปีนี้พี่น้องจะมามากจะนะลูกหลานนะพวกเราจะต้องรับกันแบบเคียงบ่าเคียงไหล น, นะถ้าว่าใครไม่เคียงบ่าเคียงไหลนะไม่สู้นะอย่าไปอยู่นะรีบๆหนีคิดว่ามันจะวุ่นวาย หนีอแล้วย่อย่าเข้ามาอีกอย่าเข้ามาใกล้อีกหนีให้ไปไกลๆกลนี่นแหละอันนี้ก็เป็นบอกกล่าวให้พวกเราได้รับผู้รับทราบร่วมกันแต่หลวงพ่อเนี่เป็นเจ้าของเรื่องหลวงพ่อก็ไม่ได้เฉยเชิญนิมนต์ไม่มีบัตรอะไรจากนั้นทั้งหมดนะเพราะว่างาน อย่างที่พวกเราทำมาทุกปีเ ป, เป็นงานมาพาดมาเกยนะพอให้พวกเราทุกๆกท่านช่วยๆกันดูเนอะเอาเอานี้วันนี้เอาแต่ น, นี้ก่อนพอ